เพราะฉะนั้นไม่แน่นั่นเ อ, นอายุยี่สิบกว่านี่คุณอายุเท่าไรเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามไอ้เพื่อนรุ่นเดียวคุณมันตายไปแล้วมีมึ้งไหมมีไหม ม, มีนะไอ้อ่อนกับคุณที่ตายไปแล้วมีมังม้งไหมข้างข้างบ้านยมีมัม้ง อ, อายุน้อยกว่าเราตายไปแล้วยังนึกไม่ออกนึกออกแต่ว่าไอ้เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันตายนะ เคยนึกว่ า, วาละไอ้รุ่นเดียวเนี่ยไอ้คนต่อไปเนี่ยใครเฮ อ, อมันไม่แน่แล้วไอ้หนูเฮย้ยนึกนึกเสียแล้วก็รีบนั่งสมาธิเยอะๆนะ อ, อ, อันที่สี่นะไม่ประมาทในชีวิตคือคิดว่า อ, อ, อีกนานจะตายมันก็ไม่แน่รีบรีบเสียยิงสี่สิบแล้วห้าสิบแล้วไม่แน่ทางนั้นเลย เห็นกันเมื่อเช้าหลัดหลัอ้าวบ่ายตายเห็นกันไปบ่ายเย็นตายไม่แน่เมื่อคืนนี้ลูกศิษย์คนหนึ่งเขาเข้ามาหาบอกว่าในทหารอากาศที่เราบินไปตกที่เมืองไมกิวันเนี่ยที่ชายแดนนั่นนายทหารอากาศนั่นพอเข้าอบรมการบินพออบ อบรมพร้อมกับภรรยาเขาพออบรมเสร็จปั๊บไม่ทันได้รอรับออประกาศมีบนะิบัต่ะฝากให้ภรรยาเขาเป็นคนรับแทนตัวเองก็บินไปบินไปขนพวกทหารที่ป่วยในชายแดนเอามาส่งที่โรงพยาบาลภูมิพลพอเมื่อสองสามวันนี้ก็ มาขอใบประกาศมีบัตรจากเขาแล้วก็บินไปเลยไม่ได้กลับมาเลยเออมันไม่แน่พวกเราเหมือนกันมันไม่แน่หรอกมันไม่แน่เพราะฉะนั้นรีบทำภาวนาซะเยอะๆอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายตายแน่ๆท่องเฮอะตายตายมันท่องเอาไว้อันที่ห้าไม่ประมาทในการงาน ใครที่เวลาทํางานแล้วมีความรู้สึกว่าแหมงานนี้มันยังไม่ใช่งานที่ถูกใจเรานั่นยังไม่ทุ่มเทหรอกไว้ให้ได้งานถูกถูกใจจะทุ่มให้สุดฝีมือเช่ไหมหรือแหมผู้บังคับบัญชาคนนี้ไม่ถูกใจเราทําไปก็เท่ากับไปทําให้เขาได้ดีไม่เอาหรอกไว้วเมื่อไหร่ได้ผู้บังคับบัญชาดีๆถ้าเราค่อยทเอา้าวแหมตอนนี้ไอ้ผู้บังคับบัญชาก็ดีแล้วแต่ว่าืม บ้านเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์มาเก็ไม่รู้ทาบ้านเมืองสดีถ้าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเราก็ล้วก็ไม่ได้อะไรอย่าเพิ่งไปทา ม, มาเลยมันมีเรื่องแก้ตัวไปเรื่อยผลสุดท้ายไม่ได้ทำงา น, นอย่างนี้เรียกว่าประมาทในการงานไม่เอาเมืองไทยมันจะเป็นคอมมิวนิสต์มันจะเป็นพุทธมันจะเป็นอะไรเป็นอะไรให้มันเป็นไปแต่ว่างานใดๆก็ตามเมื่อมาถึงมือเราแล้วล้วก็ทาให้ดีที่สุด อย่างน้อยที่สุดมันก็จะเป็นการเพราะนิสัยนะเพาะนิสัยความไม่ท้องานให้เกิดขึ้นติดตัวข้ามโคตข้ามชาติของเราไปใครที่แหมงานนี่ไม่ถูกใจจะต้องรองงานผู้บังคับบัญชาคนนี้ไม่ถูกใจจะต้องเปลี่ยนใหม่สถานที่ทํางานนี่มันไม่เหมาะสมมันต้องย้ายอาคารเอาไว้รอกัอนเถอะแล้วเราจะทําให้ดีเยี่ยมผลัดวันประกันพรุ่งไปอย่างนี้ชาตินี้เอาดีไม่ได้ยกไว้ แม่ชาติต่อไปก็จะติดนิสัยอย่างเงี้ยแหมพระพุทธเจ้าองค์นี้พระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านเทศเสียงก็เพราะดีหลักตวะท่านเป็นคนละชาติกับเราไว้ไปชาติหน้าเออไปเจอพระพุทธเจ้าที่เป็นชาติเดียวกับเราเรามาชาตินิยมแล้วเราจริงจะค่อยปฏิบัติธรรมมันก็เลือกของมันไปผลสุดท้ายตกนรกทุกชาติทุกชาติอันที่ห ไม่ประมาทในการศึกษาขอฝากไว้เลยนะสำหรับใครที่กำลังตั้งใจเล่าเรียนเขียนอ่านคุณหนูทั้งหลายเนี่ยอยากจะฝากไว้ว่าอย่างนี้นี่เดี๋ยวนี้อายุผ่านเข้ามาแล้วสี่สิบสามปีเข้ามาแล้วเนี่ยมันเจออยู่อันนึงวาไอ้หนังสือที่เราอ่านยกหยกเนี่ยอ่านเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเมื่อสิบวันที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ย หนังสือที่อ่านที่ท่องเมื่อเราโตแล้วนี่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจำจำไม่ค่อยได้อ่านวันนี้หยกหยกพรุ่งนี้ลืมแหละแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจดีเด้อเพราะผ่านโลกมามากมันทำให้เข้าใจง่ายแต่ว่ามันไม่จำแล้วไอ้ที่จำได้ฝังใจน่ะอะไรนู่นแสนสงสารนันทาที่น่ารักชะลานักเลี้ยงออกนอกถนนไอ้อย่างนี้จาได้ บาดเดี๋ยวดังลังเง่งวงเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแหลชงแงหาเห็นโยขีขีข่รุ่งพุ่งออกมาไอ้อย่างนี้จําได้อแต่ไอ้ปัจจุบันนี้จําไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณหนูทั้งหลายใครที่ยังกําลังเรียนอยู่น่ะไอ้อะไรที่ควรจําน่ะรีบท่องใช่ตั้งแต่ตอนนี้นะท่องมันเข้าไปอย่าไปคิดว่าเอาเ๋อเฮอะเราเข้าใจแล้วแล้ววันหลังอยากจะรู้เมื่อไหร่ก็มาเปิดเอาวันหลังเรา อยากจะท่องข้ามาท่องทีหลังอย่าไปคิดอย่างนั้นเราจะไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้นอีกอัตมามีหนังสืออยู่ในห้องเราเป็นตั้งๆเลยเมื่อก่อนนี้ตอนอยู่มหาวิทยาลัยเอาหนะไว้ว่างๆแล้วจะหาเวลานั่งอ่านาไปเจอหนังสืออะไรเดเออแล้วว่างๆจะหาเวลามาอ่านซื้อมาซะเต็มห้องไม่ที่อ่านมันหาเวลาว่างไม่ได้แล้วพังใจหนังสือพวกนั้นงานศพแล้วไม่ต้องใช้ฟืนแล้ว เอาไอ้หนังสือที่ยังไม่ได้อ่านกองอยู่แล้วน่นนะเถาสบายเลย <S 1> <S 1> นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะใครยังหูตายังดีอยู่สุขภาพยังดีอยู่อยากจะท่องอะไรรีบท่องใช่มนกี่บทอยากจะท่องท่องเสียพระไตรปิฎกยังไม่เคยอ่านรีบอ่านใชรอแก่แล้วค่อยมาอ่านตายเปล่าไม่ได้อ่านน่ะรีบอ่านใชตั้งแต่ตอ น, นอันที่เจ็ด ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมตกลงว่าสิ่งที่ไม่ควรประมาทในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เด่นชัดที่สุดเลยเนี่ยคือไม่ประมาทในเวลาเราแวงเชียวละนะไม่ประมาทในเวลาเป็นไงเราแวงเชีวและว่าเออเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นระวังเลยรีบทำงานมาให้มันข้างๆ ไม่ประมาทในไว้ยเป็นไงเออเราจะตายเมื่อไรไม่รู้เพราะฉะนั้นอืมเอา้าเราแวงว่ามันจะตายแล้วก็รีบทางานมันเสียอืมระวังยังไงล่ะเออไองานการอะไรที่ไม่ควรทาที่ไม่ควรลงทุนที่มันเสี่ยงเกินไปไม่เอาละเอาไอที่สมควรสมควรตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วได้แล้วเลิกตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาของเราดีกว่ารักษาสี่งของเราดีกว่าอย่างนี้รอดตัว เราก็ฝากไว้เลยนะสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายจะไปรอเอาว่าแหมให้ลูกมันโตก่อนแล้วเราจะเข้าวัดอย่าคิดเลยเคยเห็นม้างไหมไอบ้บางคนนั่นเลี้ยงลูกมันยังไม่พอเลยพอมันมีลูกก็เอาลูกมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงหลานต่อไอบ้บางคนเลี้ยงหลานไม่พอเลี้ยงเหลียญอีกเพราะฉะนั้นคิดว่าแก่แล้วอยว่างอย่าคิดเอาให้มันว่างเดี๋ยวนี้แล้วจะทําธรรมะจะรักษาศีลจะหนังสมาธิจะทําทางไห ทำใชอีตอนนี้จะไปวัดไปวาไปฟังเทศไปที่อีตอนแข็งแรงแกแล้วเราจะนอนอยู่บ้านแก่แล้วมามานั่งฟังเทศนะเลอไม่ได้คว้าเราพระเทศไปอะไรนะอะไรนะหูมันตึง <c oughs> นัโมโยมอะไรนะอะไรนะ <c oughs> นันโมอะไรนะอะไรนะชะโดเลอ <c oughs> <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ พอแก่แล้วหูมันก็ตึงตามันก็ฟังใช้ไม่ได้้งนั้นอ่ะเตรียมอย่างนี้สิว่าอีตอนเรายังแข็งแรงดีเนี่ยตั้งใจเลยทำทานรักษาศีลเจริญ ภ, ภาวนาไปฟังเทศเอาให้เต็มที่เฮขึ้นเลขห้าแล้วเรานอนอยู่บ้านมันี่และข้อมูลข้อธรรมะอะไรเราก็รู้ละอีทงวดนี้จะตั้งใจปฏิบัติให้มันจริงจังเอออย่างนี้ใช้ได้ ไม่ใช่อีกตอนนี้ห้าสิบเข้าไปแล้วหกสิบเข้าไปแล้วก็ยังแหมอยากจะสร้างคอนโดมิเนียมอยากจะดังว่างั้นเอถอะปาโทรหกสิบแล้วสร้างคอนโดมิเนียมจะเอาให้กระดูกรอไงไม่เข้าท่าปล่อยให้คนรุ่นหลังมันทำมาเถอะอคอนโดมิเนียมไอ้ไอ้แฟลตไอ้ไอ้อาคารสงเคราะห์มันฟ้องบ้างไหมมันสำหรับคนที่ไม่เคยทำทานด้วย ด้ที่ออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปนั่นละไปเบียดเบียดกันอยู่เลื่อะไอ้พวกที่ชอบเอาเป็ดเอาไก่เอานกมาขังไว้กุกกรูุกกรูนั่นๆเวีนขังสัตว์ของมันนนถึงเวลาก็มาอยู่ไอ้คอนมโดมินเนียมไออยู่แฟลตไออยู่ห้องเล็กๆแล้วภูมิใจว่าโก้โงไอพวกนี้โง่อ่าโทษเออคนเราจะอยู่ให้สบายชีมันต้องมีบริเวณเป็นของเรา อย่างนั้นจึงจะอยู่สบายอย่างนั้นจึงจะอยู่สบายนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ถึงห้าสิบตอนนี้รีบปฏิบัติธรรมเยอะๆห0สิบแล้วนอนอยู่บ้านวัดไหนก็ไม่ไปแต่ว่ายกเว้นแหมเมื่อก่อนก็ไม่ได้เข้าวัดแล้วอีตอนนี้ห้าสิบแล้วงั้นเอ้ตาตะกายเข้าวัดก็ต้องตะกายกันเดี๋ยวไม่งั้นชาตินี้เลยไม่ต้องรู้อะไรเลยแต่ก็ลำบากแล้วแหละทีนี้ลาบากแล้ว ข่าวัดเมื่อห 6, สิหกสิบเจ็ดสิบนี้เริ่มลำบากจะทำไงได้ละ่ะเมื่อก่อนประมาดนี่ไม่ได้เข้ากันอะก็ต้องตะเกียกตะกายมากันมาเองไม่ได้ก็ให้ลูกเอารถมาส่งกันละมันก็ต้องทำกันอย่างนั้นทีนี้ก็มาถึงหัวข้อที่แดคุณธรรมหัวข้อที่แดนี่เอาวิธีปฏิบัติตนเพื่อความไม่ประมาท ขั้นต้นเลยเชียว อ, อย่างที่เคยสรุปในมงคลทุกๆอันแหละวิธีปฏิบัติตนเพื่อความไม่ประมาทอันแรกเลยคือตั้งใจทําทานรักษาศีลให้เป็นประจําตั้งใจทําทานรักษาศีลแลว้วก็นั่งสมาธิให้เป็นประจำนะนี่ขั้นแรกง่ายๆนะ ที่หลวงพ่อเคยสรุปไว้เสมอๆให้จําง่ายๆว่าเช้าใดยังไม่ได้ทําทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าวไปทําทานสักวันใดยังไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านไม่งั้นเดี๋ยวเขี่ยวมันลากดินไปคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิยังไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นอย่าเพิ่งนอนนี่มีหลักง่ายๆอย่างนี้ขั้นต้นเลยถ้าไอ้ยิ่งไปกว่านั้น่ะเออ เอาหาเวลาออกบ RIGHT. าวชนะหรือว่านี่กําลังอบรมธรรมทายาทอยู่อย่างนี้ฝ่ายชายก็เอ imagine, าเราลางานมาได้แค่พักร้อนอ่ะพักร้อนก็มาถือศีลแปดเสักสิบวันยี่สิบวันแล้วกเออก็ยังดีมันก็ต้องโชคก็ต้องช่วยเอาอย่างเงี้ยรีบรีบทำเข้าไปนะก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายมงคลข้องความไม่ประมาทเออไม่ประมาทดียังไง ก็อันที่หนึ่งและเห็นง่ายๆแล้วเมื่อเราไม่ประมาทจนที่ว่ามานี้นี่มันก็บุญกุศลใดๆที่ไม่เออ่่่ทีไมเกิดมันก็จะได้เกิดขึ้นอืมอันที่สองความเป็นมงคลคือได้ชื่อว่าเป็นคนที่ยังไม่ตายแม้แต่ตายแล้วก็ยังถือว่าเป็นคนที่ไม่ตายคือยังไ ม, ไม่ตายจากคุณธรรมนะ เป็นคนไม่ตายแตยจากคุณธรรมบางคนมีชีวิตอยู่แต่ว่าประมาทก็ได้เชื่อตายไปแล้วจากความดีทั้งหลายอันที่สามมงคลจากความไม่ประมาทอันที่สามก็ป้องกันภัยในอในอบายได้แล้วเป็นความให้เป็นคนที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไปทุกภพทุกชาติอันที่สี่ทำให้คลายทุกข์ลงได้ อันที่หําทำให้มีความชุ่มชื่นเบิกบานใจอยู่เป็นนิดอันที่6จะเกิดไปคิดพบกิชาติก็เป็นคนที่มีความละเอียดมีความประณีตอันที่7ก็เป็นคนที่มีความสุขขุมมีความรอบคอไปทุกชาติไปแล้วก็อันที่8อันสุดท้ายก็ทาให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย ที่นี้ก็มีตัวอย่างประกอบ <c oughs> ที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างอย่างยิ่งเลยในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งเรียกชื่อว่าท่านจักคูบาลพระภิกษุรูปนี้ออกบวชเมื่อแก่พอออกบวชไปได้พักหนึ่งพอเข้าใจหลักการในพุทธศาสนาแล้วท่านก็ตั้งใจเข้าป่า ไปทำสมาธิกันก็ชวนเพื่อนพระภิกษุไปได้วยกัน30รูปประมาณ30รูปเลยกันเข้าป่าไปทำสมาธิทีนี้พอถึงเวลาจะเข้าพรรษาสมเดือนนั่นท่านก็ประชุมพระทั้งหมดนั่นแหละ ว, ว่าเออพรรษานี้เราจะทำยังไงกันให้สมกับที่ได้บวชในศาสนาองค์น้นก็ จะทําอย่างง้นองค์นี้ก็จะทําทอย่างนี้ผู้ง่ายๆคือจะปฏิบัติธรรมะไปมั่งก็ เ, เล็กๆน้อยๆจะเอาใจกอ่านหนังสือมั่งสวดมนต์มั่งนั่งสมาธิวันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมั่งอะไรอย่างนั้นท่านจับอูบานี่ท่านไม่ยอมบอกไม่เอ้าทํางั้นใช้ได้ที่ไหนอย่างนี้ยังได้ชื่อว่าประมาทอยู่ไหนก็เราก็ ตั้งใจบวชกันมาแล้วมาทํเหยาะเยะใหญ่ใหญ่อย่างนี้ไอ้ทาอย่างนี้มันเรื่องของชาวบ้านนี่ถ้าชาวบ้านเขาทาอย่างเงี้ยก่อนนอนก็สวดมนต์ก็นั่งสมาธิไปวันละชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เออใช้ได้แต่เราเป็นพระทําอย่างนั้นได้มอะไรเล่ากินข้าวชาวบ้านทางั้นไม่ได้เอาอย่างนี้สำหรับตัวท่านเองแล้วก็พรรษานี้ทั้งพรรษา จะยืนเดินนั่งนะจะทําสมาธิในอิธิยาบท3ยืนก็จะ ย, ยืนทําสมาธิเดินก็เดินทําสมาธินั่งก็จะนั่งทําสมาธิแต่3มเดือนนี้เป็นตายไงไม่นอนท่านบอกเลยท่านไม่นอนหรอกจะทำสมาธิเอาจะทําความเพียรทําสมาธิอย่างนี้พระภิกษุองค์อื่นก็เห็นดีก็ทําตามไปด้วยก็ปรากฏว่าหลังจากท่าน ยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งไปอย่างนี้ไม่มีนอนเนี่ยทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนี้ไปได้สองเดือนเศษตาทัางเกิดเจ็บอักเสบขึ้นมาน้าตาไหลพรารากเจ็บปวดบวมอักเสบขึ้นมาอย่างเนี้ยไปหาหมอมือดีเขามารักษาปรากฏว่าหมอเขาก็ให้เวลาหยอดยาบอกต้องให้นอนพักแต่ว่า ท่านได้ตั้งใจเซะแล้วว่าอย่างไงไงพรรษานี้ไม่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหยอดตาท่านก็นั่งหยอดไอ้ลืมไอ้ไอ้นอนหยอดแล้วก็นอนพักนี่ไม่ทําท่านไม่ยอมกลัวจะเสียสัจจะด้วยแล้วกลัวว่าเออเราก็แก่มาขนาดนี้แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมอกลัวตาเออกลัวว่าตาจะเจ็บกลัวว่าตาจะบอดผลสุดท้ายใจมันบอดเสซะก่อนจากธรรมะซะละมันก็จะไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร เพราะฉะนั้นนั่งสมาธิตัวตั้งอยู่อย่างนั้นหมอเขาเมื่อไม่ไม่ไม่นอนหยอดยาไม่หยุดพักเขาก็รู้ว่าเขารักษาไม่ได้เขาก็เลยเลิกบอกเลิกท่านยิ่งพอบอกเลิกท่านท่านก็ยิ่งคิดบ่าเออเรานี่หมอเขาก็บอกเลิกแล้วไม่รักษาให้เราแล้วเรานี่ยังไม่มีธรรมะอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเป็นที่พึ่งเลยประมาทไม่ได้แล้วเราจะต้องทําที่พึ่งภายในของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ ที่พึ่งภายในของคนเราอะไรล่ะพระธรรมกายในตัวนั่นแหละปัตตังใจนั่งสมาธิไปจเจริญมรรคมีองค์แปดไปสัมมาอารหังของท่านไปอย่างนี้แหละตาเขาอักเสพทุกวันทุกวันพอถึงวันสุดท้ายออกพรรษาพอดีเที่ยวความเพียรที่สะสมมาเต้นที่ท่านก็เลยบรรลุธรรมกายอาศัยธรรมกายพิจารณาอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยน้โรดมากพิจารณาเรียบร้อยเห็นทะลุปลุกปลงท่านก็หมดกิเลสเป็นพระอระหันต์แล้วในเวลาเดียวกันก็ตาบอดพร้อมกันไปด้วยเลยยอมตาบอดกันเลยแต่ว่าองค์อื่นอื่ น, อ, นอีกสามสิบป่ะเขาก็ เ, าเหมือนกันก็ได้เป็นพระอระหันต์หมดทุกรูปแต่ว่าตาไม่เป็นไรก็ตาก็ปกติดีมีแต่ท่านนั่นแหละ หมดกิเลสเป็พระอารหันต์พร้อมกับตาบอดก็มีผู้สงสัยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมจึงได้เป็นอย่างนี้เพราะว่าทำความเพียนถ้าอย่างเลยจึงตาบอดใช่ไหมหรือว่าเพราะกรรมอะไรพระพุทธเจ้าก็าเลยตรัสถึงอดีตกรรมให้ฟังบอกว่าอ๋อท่านจูจักกูบาลรูปนี้น่ะเลอรพบในอดีตเคยเป็นหมอหมอรักษาโรคตามาอยู่มาคราวหนึ่ง เป็นหมอรักษาโรคตาที่มีชื่ออยู่มาคราวหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็ น, เ, ปนเศษทินีตาบอดมาให้ท่านรักษาแล้วก็สัญญาว็าพอหายแล้วจะให้ค่ารักษาเท่านั้นเท่านี้เชียวพอหายแล้วไม่ยอมจ่ายเดียวซะแล้วเสียดายเงินเจอหน้าท่านเจอหน้าหมอที่ไรก็ไม่เห็นหายทักทีเลย เอ๊ะไม่ไม่หายสักทีแล้วทำไมรู้ว่าหมอมาได้ยังไงเจอทีแล้วก็ไม่หายสักทีไม่เห็นอะไรเลยหมอจับสังเกตได้อ้าวอันนี้หายแล้วนี่คิดจะเบี้ยวม่จ่ายตังนี่โกรธขึ้นมาเลยไปทำยาขนานใหม่ไปเอาน้ำกรดมาบอกว่างั้นไม่เป็นไรมีขนานพิเศษหยอดอีงวดนี้จะหายแน่หายตลอดชาติเลยเอาน้ำกรดหยอดเข้าไปให้ แต่ทฐีนี้เขนั้นก็เลยตาบอดไปบอดจริงในทีนี้ทําเป็นบอดทีแรกในที่สุดบอดจริงส่วนตัวท่านเองไอความที่ไปทําเขาตาบอดชาตินั้นละโลกก็แล้วก็ตกนรกไปพ้นเวีจากนรกไปเกิดเป็นคนก็บัรจปลายชีวิตก็ตาบอดมาทุกชาทุกชาติแม้มาชาตินี้ก็ยังมาตาบอดอีกเมื่อตอนเป็นพระอรหันต์นี่เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเรานะจะโกรธจะแค้นจะชิงจะชังใครก็จะถึงก็ไปทําให้เขาพิการเลยเอาแค่หอมปากหอมคอเข่หัวสะป๊อกเดียวพอแล้วนะไม่เอาแล้วจะถึงก็ทําตาถูนบอดด้แล้ว เ, เกินไปนะทําให้เขาบอดทําให้เขาพิการทําให้เขาถึงตายยาเลยเอาแค่วันหอมปากหอมคอพอแล้วหรืไมไปทาอะไรเลยแผนเมตตาให้มันทรงไปได้ยิ่งดี ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จริงจะรอดตัวมีอีกเรื่องหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งเมื่อตอนอีกประมาณสามเดือนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็บอกกับให้เปล่าประกาศกับพระภิกษุทั้งหลายบอกว่าอีกสามเดือนนะพระองค์จะปรินิพพานละใครมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะข้อไหนไหนก็มามาถามท่าน ท่านจะแก้ข้อสงสัยให้จะไขปัญหาให้ให้ป่าประกาศไปทั่วเลยทั้งพระภิกษุทั้งประชาชนคารวานละก็มีพระภิกษุคนนีพอพระไหนๆทราบแล้วก็ใครๆทราบก็โอ้ยเสียอกเสียใจยพระพุทธเจ้าจะปรินิพานรีบมาหาพระพุทธเจ้ากันมาร้องห่มร้องไห้กันอยู่นั้นนะ่ะแต่ว่ามีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่ง แทนที่จะ ร, ร้องห่มร้องไห้อย่างกับคนอื่นไม่ได้เไม่ได้ทําอย่างนั้น่ะท่านหลบหลีกปลีกตัวออกจากหมู่คณะไปทําสมาธิของท่านทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งไม่ยอมนอนอีกเหมือนกันยืนเดินนัง่งยืนเดินนัง่งอยู่ในสมาธิตลอดเลยฝึกสติตลอดเลยเสร็จแล้วก็มีคนไปฟ้องพระพุทธเจา้าบาคนเนี่ยมีพระภิกษุรูปหนึ่งแม้รู้ว่าพระองค์จะปรินิพพานมาแล้วก็ ไม่ได้มีเยื่อายไม่มีความอาลัยอาวร์ในพระองค์เลยจะหนีเข้าป่าไปคนเดียวละ่ะเสียแรงที่พระองค์บวชใหออ้มีความรู้สึกกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าให้ไปตามมะเออไปตามภิกษุรูปนั้นมาสิพอพระรูปนั้นมาก็ถามในที่ประชุมภิกษุเธอหลบไปจากงูคณะเลยพระยาค่ะทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านก็เลยตอบว่า เพราะข้าพเจ้ามาคำนึงว่าขณะนี้เนี่ยข้าพเจ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานคุณธรรมใดๆเลยเมื่อขณะพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เป็นโลเป็นพายอย่างนี้นี่ถ้าพระองค์ปรินิพพานไปแล้วข้าพเจ้าจะจะไปรอดหรือเนี่ยจึงตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มที่หวังว่าอย่างไงอย่างไงถ้ามีอะไรก็จะได้มีอะไรข้อสงสยัยติดขัดอย่างไงก็ พระ อ, องค์ยังอยู่อีกสามเดือนก็ยังจะได้ไต่ถามได้เพราะคิดอย่างนี้จึงได้หลบปลีกไปอยู่ลําพังเงียบๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่อะไรอาวรแต่ว่าสมมาสัมพุทธเจ้ารอกพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสรรเสริญว่าเออภิกษุทั้งหลายเธอจงเอาเยี่ยงอย่างพระภิกษุรูปนี้เถิดภิกษุรูปเออรูปนี้ทําถูกแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทท่านสรรเสริญอย่างนี้ แล้วก็ปรากฏว่าอยู่มาไม่นานพระพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ปรินิพพานเลยพระภิกษุรูปนั้นก็หมดกิเลสเป็นพระอระหรันต์ไปด้วยอำนาจแห่งความไม่ประมาทรือถ้าพูดอีกทีด้วยอำนาจแห่งการตั้งใจฝึกสติฝึกสมาธิอย่างดีย่มเลยนี่ทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องของความไม่ประมาทในพุทธศาสนาถ้าพูดอีกทีนึงว่ากันไปแล้วในสายตาของชาวโลกก็บอกว่าพวกเราที่มา น, นั่งอยู่บนศาลานี้มากันเป็นประจำประจำทุกอาทิตย์นี่ก็จัดว่าเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วนะนี่ในสายตาชาวโลกนะแต่ว่าท่านในสายตาของชาวธรรมที่ในสายตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จริงแม้พวกเราก็ยังประมาทอยู่เพราะว่าว่ากันไปแล้วศีลห้าของเรามันก็ยังไม่ค่อยจะบริบูรณ์กันนักซึ่บางคนศีลห้าบริบูรณ์ดีแล้วแต่ว่าศีลแปดก็ยังกระพร่องกระแพ่องอยู่ถ้าศีลแปดยังกระพร่องกระแพ่องอยู่แล้วก็นั่นแสดงว่ามรรคนิพพานเนี่ยยังยังไม่สามารถบังเกิดขึ้นแก่เราได้หรอก สิน8ปมันจะต้องแน่นนะสินแปดจะต้องแน่นถ้าสินแปดไม่แน่นราคะหรือความยินดีในกามมันยังจะห่อหุ้มใจเราได้โอกาสจะบรรลุธรรมะมันยากหรือการนั่งสมาธิของเราขณะนี้เออเราก็ยังนั่งกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นักหรอกนั่งไปก็ยังเมื่อยไป นั่งไปก็ความสว่างข้างในบางทีก็วันนี้ฟลุ๊กก็สลัวสลัววูบวบว่าว่ผ่านไปนิมิตบางวันฟลุ๊กหน่อยก็เห็นนิมิตชัดแต่แค่นาทีแล้วก็หายจอมไปอีกเจวัน8ดวันเขามาโผล่ให้ชื่นใจอีกทีอย่างนี้มันก็ยังใช้ไม่ดับแล้วออวันนี้นั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเห็นนิมิตทุกวันแหะแต่ว่า เห็นไม่นานหานาทีส <Ox ide> ิบนาทีก็ไปซะแล้วเอองั้นมันต้องเอาให้ได้หลับตาลืมตายืนเดินนั่งนอนให้เห็นนิมิดสว่างโพลงเออไอ้อย่างนี้ชักใกล้ความจริงอย่างนี้ค่อยชื่อว่าไม่ประมาทนะแต่จริงๆแล้วยังเรายังประมาทกันอยู่เนี่ยรีดแก้ไขตัวเองให้ดีแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อความไม่ประมาทก็ง่ายๆอีกัแหละ เช้ใดยังไม่ได้ทาทานชานั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดยังไม่ได้ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านโดยเฉพาะวันโกนวันพระหรือวันเสาร์อาทิตย์ยังไงยังไงควา้าศีล8มาเกอดเอาไว้ให้ได้คืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิหนั่งสมาธิสิบนาทีสิบห้านาทีไม่พูดแล้วคืนใดยังไม่ได้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงคืนนั้นอย่าเพิ่งนอนกันถ้าไม่งั้น มันก็ยังประมาทอยู่ดีนะแล้วถ้าเราไม่ประมาทอย่างนี้แล้วลราก็ไม่จำเป็นเลยน้ํามนก็ไม่ต้องรดดวงก็ไม่ต้องพูกเคราะเครืออะไรก็ไม่ต้องไปสะดอกใครที่ไหนทั้งนั้นแหละเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วถ้าหากจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับเรานั่นก็แสดงว่าเออมันเป็นผลเรื่องจากกรรมกรรมไม่ดีของเราในอดีตซึ่ง แม้แต่พระอาหารหันต์ก็ยังหนีไม่พ้นก็ทนรับกันไปไม่ต้องไปอุทธรดีกาที่ไหนแล้วนะก็ทนรับกันไป่ไงไป ท, ท, นะทปงที่ว่า whatever will be will be ก็แหละเป็นไงเป็นกันเมื่อทาที่ทดีที่สุดแล้วไม่ได้บกพร่องอะไรแล้วแต่ตามเก่ามันตามมาเล่นงานช่วยไม่ไดนะ้สำหรับวันนี้คงจบเพียงแค่นี้